สทศนาแผ่นที่801ลำนับที่8โดยหลวงพอ่ออินถวายสันตุสโกโวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรรธานีสแสดงธรรมในวันที่4กันยายน2558มีชื่อเรื่องว่าก้อนไทยกลายเป็นทอง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 คุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมคือหน้าที่ของเราเราบวชมาเพื่ออะไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะลำบวชมาเพื่ออะไรนอันนี้คือคําถามอยู่ในจิตใจของหลวงพ่อมาตลอดเพราะฉะนั้นใครจะสร้างอะไรคือเอาอนุโมทนาแต่เมื่อวานนี้ก่กอนที่จะถวายกุฏิทางประธานงานคือคุณ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 แต่หลวงพ่อคนนั่งนั่งรถไปดูทางหลังวัดเหมือนกันนะเป็นห่วงทางหลังวัดพอไปเห็นน้ําทางหลังวัดอน้ําก็ยังไม่ขึ้นอยู่ขึ้นน้อยเดียวประมาณสักศอกหนึ่งมั้งในสระนะน้ํำยังไม่มากคิดว่าน้ําจะล้นสระแล้วเมื่อวานนละยแต่พอไปไ ป, ไปจริงๆยังขึ้นไม่มากน้ำเมื่อวานนะี่นี่นะแต่วันนี้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 เพราะวัดยังไม่มีศาลามีแต่กำแพงถ้าศาลาเสร็จแล้วก็คงจะที่พักพาอาศัยก็คงค่อยๆทาไปแหละท่านีไม่รีบไม่เร่งนะแต่ถ้าว่ายังไม่มีศาลาปฏิบัติธรรมที่เป็นพึกแผ่นก็ยังวัดก็ยังยังขาดอยู่เพราะนั้นหลวงพ่อคงจะให้ทำทาศาลาขึ้นมาเพราะศาลา เ, เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ลงอุโบสถ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 นางนายนายปุณณนะนางอุตรานะภาษาลิบุตรท่านเข้านิโรธจมาบัติคือสมัยก่อนพระอารหาันต์ทวกททางหลายผู้มีอภินิหารผู้มีฌานจมาบัติคือพระอรหันต์มีอยู่สี่จำพวกนะเตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทพปัตโตเนะตวิโชคือผู้มีอิทธิฤทธ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 ไอ้คนที่พระทหารจำพวกสามจาพวกนั้นกินข้าวอิม่มแต่มีเงิน <c oughs> จะใช้สอยอะไรจ้างว่าจ้างอะไรมีเงินแต่พระหารชุกขะวิปัสสโกนี่พอทานอาหารเสร็จแล้วกระจบกอิ่มละพอละอแต่เตวิโชสละพินโยปฏิสัมพิทัพปะโตนั้นอิอ่มท้องด้วยแล้วก็มีเงินใช้ใจ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 จะใส่บาตรเราเหล่น้องวันนี้เท่านก็มองเห็นนายปุณณนะที่เข้ามาในพยานคือเข้ามาในยานรัตนะของท่านพระสารีบุตรท่านเห็นอู้ปุนณนะเขามีศรัทธาวะ่ะเป็นคนจริงจังและจริงใจแต่นั้นพระสารีบุตรก็ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็เดินมามีบาตรหลบครองพายจีวรมาพอมาถึงนายปุณณนะเห็นพระสารีบุตร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 แล้วนางก็ทั้งทั้งเดินทั้งวิ่งนะกลัวพ่อบ้านไถนาจะหิวใช่ไหมละ่ะอพอไปไปทําอาหารกว่ามันจะเสร็จได้ฮะ อ, อพอเสร็จพอเสร็จแล้วก็รีบมาเลยพอรีบมาทางไอ้อแฟนเ น, น, นี่ยปุนนาเนี่ยก็ไถนาไปก็เออทั้งมองหาเมียด้วยว่ามันหิวข้าวใช่ไหมโคนดไถนาทํ า, าทงานเลยเออมองไปโอแ ต, แต่แต่แต่เมียทําไมมาช้านักวันนี้วะ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 ทั้งผู้ผัวก็คอยฟังฮะคงจะมีเหตุมีผลทั้งทั้งคู่หัวผัวเมียมั้อคงจะไม่ตาเขียวใส่กันมั้งั้นแหละทั้งผู้เมียพูดทั้งผู้ผัวพูดก็คงจะเข้าใจกันน่อยพอไปถึงกันเลยมีอะไรโอ้ที่ฉันมามาถึงเครึ่งทางเห็นพระธรรมเจนาบดีภาษาลิบุตรอท่านเดินมาดิฉันคอยเห็นแล้วก็เลยถวายอาหารท่าน ดิฉันก็นเรีบไปทํามาเนี่ยพนอะกับมาอีกเนี่ยแหละยิงมาสายนะไม่ใช่อื่นไกลทางปุณณะโอ้ใช่พระธรรมเสนาบดีมาโปรดพวกเราจริงๆมาเมื่อช้าหรือมานี่ยนะดิฉันผมเองก็ได้ถวายไม้สีฟันด้วยน้ําด้วยกับพระธรรมเสนาบดีท่านคงมาโปรดครอบครัวของเราเ อ, อปุณณะก็ดีใจทางปัญญาก็ดีใจ ว่ได้ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลอจากนั้นปุณณาก็เลยกินกินข้าวที่เมียเอาไปให้กินข้าวเสร็จแรกก็เออพักเอาแรงนะพอพักเอาแรงตื่นขึ้นมานอะพอตื่นขึ้นมาขี่ไถไถนาน่ะนะเอลตาของเรามันฝาดหรือเปล่านะทําไมมันเป็นสีเหลืองเหลืองทั้งหมดนี่วะก้อนไถ ท, ที่เราไถ ท, ทั้งหมดนี่นะพอมองมองดนะูเอ๊ะ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 ที่ที่ท่านที่ท่านได้ทําเอาขนมากับขนมาในท้องเอาไว้ในพารานาพารานหน้าพระราชสว่งางเอามากองเอาไว้อกองเอาไวเ้เสร็จแล้วจะได้ประกาศว่าใครมีทองคํามากถึงขนาดนี้มีไหมาจากนั้นเขาก็เลยกองมาขนหมามากองเอาไว้กองอไวเ้เสร็จแล้วก็พอเจ้าแผ่นดินก็ประกาศออในเมืองนี้ใคร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 คิดขึ้นมาเพื่อจะเบียดเบียนอาคาดพยาบาทจองเวรคิดปองร้ายคนอื่นถึงงชั่วขณะจิตหนึ่งก็คือความชั่วมันชั่วออกไปจากจุดหนึ่งซะก่อนมันจึงมีสองมีสามต่อเนื่องไปเพราะนั้นสิ่งที่มันชั่วอย่าคิดเลยดีกว่าสิ่งที่มันชั่วอย่าทำเฉลยดีกว่าสิ่งที่มันชั่วอย่าพูดเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อคิดทาพูดลงไปแล้วมันให้ผล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 ตกนรกเนะี่ยมีไหมในโลกเนะี่ยถ้าเราศึกษาว่นเราเชื่อว่ามันมีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามันมีทั้งนั้นแหละมันนอกเหตุเหนือผลที่พวกเราจะต้องคิดมันมีนี่แหละอันนี้ก็เป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะต่อเ น, นี้อไปพระสงฆ์อนุโมธนาให้พรรับพร